นั่งภาวนาน้่งภาวนาน่งภาวนาคราวที่แล้วเราไปมาเลเซียสิงคโปร์เราก็พาทาพัดสวดมนต์ก่อนทุกครั้งนะตั้งแต่ปีนังไปเลยปีนงังอีปโปกาลันตันตรังการูแล้วก็ไปที่ ชมรมติรัตนะสมาคมติรัตนะแล้วก็ไปที่วัดอาจารย์เข่งพาทำ ว, วัดไ ม, ไม่ได้ทําตอนไปที่สมาคมที่สิงค โ, โปร์นี่ไม่ได้ทํามันตอนสิบเอ็ดโมงนันไม่ได้ทําแต่ที่วัดเลยๆวัดเลยลสองค่าก็พาทำพาทำ ว, วัดสวดมนต์เสร็แล้วก็พูดธรรมะให้ฟังการทําวัดสวดมนต์มันก็เป็นเป็นการกล่อมเกล่านะ มันเป็นการกล่อมเกลอนิสัยสันดานของเรานะอย่าอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลานะทาพัดสวดมนต์นะคือการชำระชะล้างขัดเกลวใจของเราเนี่เอาอยัางเดียวไม่ได้ต้องมีอะไรให้มันเป็นเครื่องอยู่นอกจากภาวนาแล้วก็มีทำวัดมีสวดมนต์มีอะไรตัวอะไรเพราะฉะนั้นธรรมเนียมข้อวัดของวัดปาน บุบาอาจารย์ท่านจรงสอนไว้ให้ครบวงจรเลยท่านไม่นิยมให้อ้าเข้ากรรมฐ า, านห้าวันนะเาเข้ากรรมฐานสองวันนะเข้ากรรมฐ า, านเจ็ดวันนะาานนนะท่านให้จับให้มั่นอย่างนั้นไปตลอดเป็นอาชีพเป็นหลักไปเลยแท้จริงท่านให้ทําอย่างนั้นแม้แต่ปัดกวาดเชยบถูปูอาสนะอะไรต่ออะไรก็ตามเพราะวัดต่างๆเหล่านั้นเป็นเครื่อง เป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมและอีกท่านใช้คําอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเครื่องฝึกสติเป็นเครื่องฝึกส ต, อกสติอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องฝึกสติทําให้เราไม่พลั้งเผลอทุกกิริยาอาการที่เราเคลื่อนไหวใช้กิริย า, าการเหล่านั้นเป็นเครื่องฝึกสติเดี๋ยวนี้เราเราสติเราเบาบาง สติเราไม่แน่นหนาะสติเราไม่มั่นคงสมถถัยทุกวันนี้ได้ยินสัพท์มาอีกสั์หนึ่งนะสมาธิสัน้น เ, เราก็เปลงดีนันนะสมาธิสัน้นเนี่ยเนี่ยสมัยนี้ได้ยินได้ยินสับใหม่เพิ่มศั์มีมาสัทหนึงสมาธิสัน้นไม่รู้ใครพาพูดพาพูดไม่รู้นะ answer. สมาธิสัน้นเออฟังดูแล้วก็ถูกของเขาอยู่คนมีสมาธิสัน้น ก็คือมัน้มีสตินั่นแหละสติเราดูตัวตัวสติตัวจริงๆของมันเนะี่ยสติก็คือความรู้ความตื่นของจิตที่มันโร่อยู่ตอนนั้นเนี่ยที่มันเด่นชัดอยู่อย่างเดียวตอนนั้น น, ะนั่นคือจิตที่กำลังมีสติอยู่เต็มที่สติคือความรูลึกได้มันรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในตัวเองเนี่ยมันทั้งตื่นทั้งโรรทั้งอะไรอ ย, อยู่ทุกระยะเนี่ย เราพยายามทำให้มันเด่นขึ้นมาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสัมามาอารหังไม่ว่าจะเป็นพุโทโธพุธโทโธไม่ว่าจะเป็นทองหนอยุคหนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องมหาสติมันเป็นเรื่องของการฝึกสติแม้แต่สมัะถ้าไม่มีสติก็าสมถทาไม่ได้เหมือนกันนะยิ่งวิปัสสนาด้วยแล้วยิ่งยิ่งขาดสติมันก็ยิ่งมีแต่สัญญาอารมณ์ไปหุ่นอยู่ยเตมหัวใจ เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นเป็นภาคเป็นพื้นเป็นธรรมะที่ใช้ตั้งแต่ตั้งแต่พื้นพื้นพื้นไปจนสูงสุดจนวิมุติจนพ้นไปเลยแหละเรื่องของการใช้สติใช้จนหมดการใช้หละหมายความว่ า, วาจนจบพอจบงานแล้วก็ไม่ต้องใช้กันละไม่ต้องใช้ละมันเป็นสติอัตโนมัติเหมือนนกตาดัานว่าสติอัตโนมัติมันเองมีเองเป็นเองอะไรเอง มันเป็นเองโดยที่มันฝึกได้คือฝึกได้แล้วเหมือนสมาธิเหมือนกันสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนี่ยถ้าเราเคยฝึกฝนอบรมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมันปลูกฝังเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นเองมันเป็นเองก็เหมือนกับตั้งอกตั้งใจปุ๊บปั๊บมันก็เข้าที่ทันทีตั้งอกตั้งใจปั๊บมันก็ปุ๊บปั๊บทันทีอแล้วเวลาที่เราไม่ตั้งใจปุ๊บปั๊บมันอยู่ไหมมันก็อยู่เหมือนกันน มันก็อยู่เหมือนกันถ้าเราฝึกมาเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างั้นคือมันอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดแต่บางครั้งมันเอาไปใช้กับงานการอย่างอื่นมันก็เป็นเหตุให้มันชัดไปกับงานอย่างนั้นงานอย่างนั้นงานอย่งางนังน้นคือเรื่องของสติสติมาพร้อมกับสัมผชัญญสะสัมผชัญญามาพร้อมกับสติสติเกิดที่จิตสัมผััญญะก็เกิดที่จิตสติเป็นอาการของจิต สัมพัชัญญาเขเป็นอาการของจิตมันเป็นคุณสมบัติของจิตจิตคือผู้รู้แต่สติคือเป็นเครื่องระลึกได้ทุกขณะของจิตถ้าไม่มีสติเนี่ยถ้าไม่มีสติมันก็ขาดการรู้ตัวเหมือนอย่างคนบ้าทั้งเราไม่มีสติไม่มีสติผู้รู้น่ยมีอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะของทําอะไรไม่รู้ว่าพูดผิดพูดถูกทําผิดทําถูก มนรู้แสดงกิริยาผิดแสดงกิริยาถูกโดยเหตุที่ว่าแสดงกิริยาผิดก็ไม่รู้แสดงกิริยาถูกก็ไม่รู้นั่นแหละคือความหลงมันครอบงำเนี่ยความหลงมันครอบงำความหลงก็คือการการขาดตัวรู้ขาดสัมพชัญญะคือผู้รู้ขาดสตินั่นแหละขาดความรู้เฉพาะเจาะจงในขนาดหน้านั้นตอนนั้นเนี่ยเราสังเกต สังเกตกำหนดจับให้ได้ภายในจิตของเราสังเกตเวลาจิตของเรามันอยู่มันรู้ยังไงพอเวลาเราเข้าที่ปั๊บเราพยายามจับอารมณ์เก่านั่นแหละเข้าที่ปั๊บเราพยายามจับอาการเก่านั่นแหละพุโธพุโธพุโธกนหนดลองกึ๊บพุโธพุโธคือมันเคยมันเคยมันเคยเป็นแล้วมันรู้ที่มันรู้มันรู้ที่มันเป็นเมืที่ยุด หยุดกิริยาการเคลื่อนไหวของจิตมันแน่วทันทีเลยแหละมันพร้อมกันอยู่นั่นแ่ะมันเหมือนมันเหมือนกคำปั้นนั่นแหละเวลาเรากรรมไปมันก็เป็นกคำปั้นแต่เวลาเรามาแยกอันนั้ก็มีอันนั้ก็มีอันนั้ก็มีอนั้นก็ใช่อันนั้ก็ใช่อันนั้ก็ใช่อะมีสติกลายใช่มีสัมมิชัญญาลายใช่มีสมาธิกลาใช่สติสมาธิรวมกันแล้วก็เป็นปัญญาก็ใช่ปัญญาขั้นพื้นพื้นมันมีของมัน ปัญญาขั้นพื้นฐานะเราทําแล้วเราสังเกตดูด้วยตัวของตัวเราเองเราจะรู้ได้แต่ปัญญาที่จะสอดแทรกเพื่อรู้ไตรลักละเอียดลึกเข้าไปอันนั้นเป็นอีกอย่างหนึง่งต้องช้อนต้องใช้ต้องคลิกต้องแปลงต้องขยับต้องเปลี่ยนต้องตามรู้ต้องตามรู้ต้องตามเห็นต้องตามอะไรตามต้อนอยู่นั่นแหละย้ อ, ะยอนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลมาย้อนกลับไปใ น, น, นเพื่อที่จะรู้อนุสัยกิเลสที่ละเอียดลึกเข้าไป แต่ความรู้พื้นพื้นมันมีมามีมาพร้อมกับจิตที่สงบจิตที่สงบมีสมาธิมีหมายถึงสมาธิที่ถูกต้องครูบาอาจารย์ท่านแปลว่าจิตตั้งมัน่นจิตตั้งมัน่นมันมีปัญญาพร้อมอยู่ในนั้นนะคือปัญญาคือความรู้ตัวนหะตัวสติตัวสัมผัสญาตัวนี้แหละเป็นปัญญาอันนี้เป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ของจิตของเราเป็นอุปกรณ์ในการประกอบ เอามาประกอบความภาคความเพียรของเราเพวาเราก็ก็ขยับกันอยู่อย่างนี้แหละทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ขยับกันอยู่ตรงนี้แหละสิ่งที่เราควรขยับให้มากก็คือต้องทําให้มากต้องเจริญให้มากามาก็มีวิธีเดียวเท่านั้นแหะทําให้มากทําถูกต้องแล้วก็ต้องทําให้มากด้วยต้องเจริญให้มากด้วยทําให้มากเจริญให้มากทําให้มากเจริญให้มากจนมันแนบแน่นจนมันอิ่ม จนมันคล่องจับใส่ปุ๊บ ก, ก็อยู่ปับ๊บจับใส่ปุ๊บ ก, ก็อยู่ปับ๊บเวลาต้องการจะพิจารณาจะสอดจะแทรกจะมันก็จะซึมมันก็จะซับมันก็จะซื้อไปนั่นคือคือจิตที่มีฐานของความสงบคือเราจับให้มันมาทํางานแล้วก็มันไม่เล็ดรอดออกไปผู้รู้ของเราไม่ไม่บินไปสมมุติอ่ามีมีเป็นร้อยก็ร อ, อยอยู่เราก็จับมาทํางานนกับ ร้อยเป็นรอ้อยร้อยู่สมมติอย่างมีเรามี 80, แปดสิบเรามีเจ็ดสิบเนี่ยเนื่องจากว่ามีสิ่งอื่นมาแทรกด้วยมันถึงไม่เต็มร้อยเนี่ยเวลาเราใช้นึกใช้คิดใช้พิจรารณาใช้ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปมันกลายเป็นสัญญาอารมณ์ใช่ไหคือมันจางๆลางๆเลือนลา ง, ลา ง, ลางจางไม่เห็นชาติเกียไม่เห็นชาตเกีรยรติสักหนึ่งก็นิวัน์ครอบงำแล้วสักหนึ่งก็นิวัน์ครอบงำแล้วเรื่องเหล่านี้มันท้าทาย มันท้าทายมันให้เราพิสูจน์ตัวเราเองนี่แหละคือคือเรารู้ว่าเราสามารถมากน้อยขนาดไหนเพียงใดให้เรารู้ความสามารถอันนี้รู้ความรู้ความสามารถที่เราต่อสู้กับกิเลสในใจของเราของเราเองแค่ให้มันสงบให้มันระ ง, งับอยู่อย่าลืมว่าความสงบของกิตนั้นคือความระ ง, งับกิเลสให้หยุดให้ชะลอให้อยุด ไ, ไม่ให้มันดิบ ด, ดิ้นในหัวใจ เมื่อเราหยุดอยู่เราชะลออยู่จิตก็สงบจิตจะสงบโดยที่เราตั้งใจให้สงบมันจะสงบไม่ได้มันจะเริ่มสงบได้ด้วยอุบายเพราะฉะนั้นเราก็ทําอุบายเป็นการพยุงเป็นการปลุกจิตให้ตื่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้ตื่นพุโทโธตื่นพุทโธให้ตื่ น, นจิตมันตื่นมีสติปลุกให้ตื่นถ้านเรียกว่าวิตกแล้วก็วิจารวิตตกคือดําริพุโทโธเป็นวิตกนะ แล้วกวิจารณ์คือจับอารมณ์นั้นประคองให้ไม่ยาวต่อเนื่องไปเพียเดียววิจารวิตตกวิจารเราเราพูดอย่างนี้เข้าใจง่ายยกขึ้นมาแล้วก็ประคองยกขึ้นมาแล้วก็ประคองความซ้ำรวมก็อยู่ในนั้นความพระมัดระวังก็อยู่ในนั้นความตั้งเนื้อตั้งตังตวตั้งอกตั้งใจเต็มที่ก็อยู่ในนั้นประคองไม่มันคลาดสายหูสายตาเลยเนี่ยนี่คือความตั้งอกตั้งใจ ตั้งขึ้มาแล้วประคองตั้งขึ้นมาแล้วประคอง ว, คอวิตตุลุจารสันั้นก็อิ่มอิ่มก็คือปีติมีความสุขเพราะเขาอยู่กับอารมณ์มันเดียวเราดํารงตนอยู่อย่างนี้จิตของเราก็จะเริ่มมีหลักมีหลักนี้แไร ม, มีมีเกณฑ์สมถะเป็นขมพลังของจิตเป็นคุณสมบัติของจิตเฮ้ยสมถะสมถ ะ, สมะเสียเวลาเสียเวลาวิปัสสนาเอาเลย วิปัสนาเลยวิปัสนาเลยวิปัสนาวเวลาเวลามันจะเริ่มเป็ น, ม, น, ม, นมันก็จะเริ่มสงบซะก่อนมันก็จะเริ่มสงบคําว่าสงบหมายความว่าเราจับให้ทํางานมันก็อยู่กับงานมันก็จะเริ่มสงบเข้ามากิเลส ท, ที่มันเคยมาควรใจมันก็สงบระงับไปกามชันทะพยาปาทะธีนะมิทะกุฏทัจกุกุฏะวิจิกิจฉาน มันก็เริ่มห่างไปสงบไปห่างไปสงบไปห่างไปสงบไปหางไปสงบไปมันเริ่มมันเริ่มสงบไปมันเริ่มสงบไปมันเริ่มระงับไปมันเริ่มสงบไปจิตจิตจิตของเราก็จะเริ่มเริ่มสงบสติแนบแน่นมั่นคงสัมปชัญญะแนบแน่นมั่นคงมันก็เริ่มสงบเอาความสงบความสงบมันจะหนุน ความคิดให้ดีให้ละเอียดความคิดที่ดีที่ละเอียดหนุนความสงบที่เขาเรียกว่าความสงบหนุนปัญญาปัญญาหนุนความสงบความสงบหนุนปัญญามันเป็นอย่างนั้นจริงๆลองทำให้เป็นความสงบหนุนปัญญาปัญญาหนุนความสงบมันก็จะเพิ่มพลังไปของมันการอบรมจิตมันเป็นเรื่องจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ทำสบายๆไม่ต้องเดือดร้อนอะไร เพียงแต่บังคับข้างในต้องบังคับนะไม่บังคับไม่ได้หรอกเรื่องกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนี bung, ่ยต้องบังคับมันแต่ถ้าเรื่องเรื่องปล่อยตามกิเลสปล่อยตามใจเราไม่ต้องบังคับเราปล่อยมันลอยไปเลยทุกป่องตุ๊ป่อง şa. เพราะมันเป็นกระแสของมันขเ ض, ขาเรียกกระแสของตันหามันจะไหลไปที่ต่ำของมั น, นมันจะไหลไปตามกระแสของมันแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมะแล้วเป็นเหตุจะต้อง ทวนกระแสเป็นเหตุจะต้องตัดกระแสเป็นเหตุจะต้องหยุดกระแสสติหยุดกระแสได้เมื่อสติหยุดจิตให้อยู่กับที่แไม่ให้นึกไม่ให้คิดไปอย่างอื่นมีสติมีสัมผัญธะโรอยู่ตั้นหามเราโผล่ขึ้นมาไม่ได้ฉะลอให้กิเลสเกิดขึ้นในหัวใจเกิดไม่ได้เมื่อมันเกิดเมื่อมันเกิดไม่ได้จิตของเราก็สงบระงับ มีความสุขมีความอิดอิ่มมีความเชื่องมีความจินมีความชุ่มมีความเย็นอยู่นน้เป็นคุณสมบัติเป็นคลุบเป็นขุมพลังเป็นศูนย์รวมพลังเป็นที่กะตุนพลังพลังของสติพลังของปัญญามันแนบแน่นอยู่กับหัวใจของตัวเองเราจะเห็นว่ามันมันเป็นพลังสังสมอยู่ในตัวของเราจริงๆ จ, งจกที่เรา ทำมากับที่เราไม่เคยทําจิตใจของเราเนี่ยจะแตกต่างกันมากมันจะมีที่อยู่ของมันมันจะไม่รวดเร็วมันจะไม่พลาดพลาดไม่พลาดพลาดไปที่รูปแล้วไม่พลาดพราดไปที่เสียงแล้วมันไม่ตื่นง่ายมันหนักมันแน่นมันมีฐานอยู่ของมันไม่ตื่นง่ายไม่หลงไปกับกิเลสที่กิเลสมันยุบแย้ง่ายๆ ความสงบของจิตมีคุณสมบัติอย่างนี้ถ้าหากเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราก็จะคิดว่าทําทำทำให้เสียเวลาทําให้เสียเวลาทําให้เสียเวลาเมื่อจิตมีความสงบทั้งการพิจรารณาพิจรารณาหรือยะอีกจะเรีอยกอย่างก็คือวิปัสนาวิปัสนาวิปัสนาเราก็ทําไปเรื่อยทำไปเรื่อยท ำ, ยทำจนชำนาญทำจนทําจนคล่องแคล่วทําจนผลอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏขึ้น ระบายที่มันยังไม่เกิดเราก็ต้องทําอยู่อย่างนี้แหละก็เหมือนอย่างเราทําให้สงบจับมามันก็ไปจับมามันก็ไปจับมามันก็ไปเราก็จับอยู่อย่างนี้แหละจากที่เคยจับมายากมันก็จะเริ่มจับง่ายจับง่ายหนักๆครับไม่ต้องจับพอเราเลิกได้ปั๊บไม่อยู่ปุ๊บก็เหมือนอย่างปัญญาเพราะเราเริ่มเอาจิตมาใช้จิตก็จะเริ่มทํางานเริ่มทํางานให้กับให้กับเรา เริ่มให้พิจารณากายจะเริ่มพิจารณาจะเริ่มพิจารณาอาการของจิตมันก็จะเริ่มพิจารณาจากเมื่อก่อนไม่เคยมีความสงบเลยมันก็จับอะไรไม่ถูกเลยจับอะไรไม่ถูกเลยพอเราทำเราทำไปความสงบก็เริ่มมีพื้น ม, มีบาทมีทาปัญญาก็จะเริ่มคลี่คลายง่ายขึ้นอันนั้นก็รู้สึกว่าชัดขึ้นมาอันนี้ก็รู้สึกว่าชัดขึ้นมาการพิจารณาทางด้านปัญญา จนกว่าจะมีผลแปลกแตกต่างที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ขาดไม่ได้มาเป็นปัญญาเป็นปัญญายานอันนั้นได้ผลเด็ดขาดเต็มที่เลยเป็นปัญญายานหรือถ้าเป็นวิปัสสนาก็เรียกวิปัสสนาญาอย่างที่เราเจริญพองหนอยุบหนอพองหนอยุกหนอที่เขาเรียก ว, วิปัสสนาวิปัสสนาวิปัสสน า, ปนาปนแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเอาอะไรไปเห็นแจ้งก็เอาสติเอาสัมผัสจันญานาไปเห็นแจ้ง เพมันโร่อยู่กับอารมณ์ที่เราว่านะั้นพองหนอยุบหนอะเราว่าพองหนอยุบหนอกับเราว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธนะเราสังเกตดูอมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเพียงใดนั่นั่นเข้าเราว่าพุทธโธพุทธโธเราสังเกตดูกิริยาอาการความนึกความคิดของจิตดูความไหวของจิตดูความไหวของกายนะ มันสามารถพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้เป็นวิปาาัสนาญาณจป็นวิปัสนาขึ้นมาได้ทําให้เกิดความรอบรู้ทําให้เกิดสติทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้อันนี้เป็นข้อปฏิบัติบางทีเราไม่เข้าใจเรามองแง่หนึ่งเห็นแง่หนึ่งเราก็าเออไม่น่าอย่างงั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าอย่างนี้มันแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วมันอันเดียวอันเดียวกันก็เมื่อนี้กับจิตของเราที่มันสงบลงแล้วเนี่ย เราจะว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธพเราจะว่าธรมโมธรมโมธ ร, รมโมเราจะว่าสังโฆสังโฆสังโฆมันก็เหมือนกัน ก, ก็เพราะผู้สงบ ก, ก็คือจิตตรงนี้เป็นผู้สงบจะเอาไปใช้อะไรก็คือจิตตรงนี้เป็นผู้สงบเหมือนอย่างจิตแพรามีปัญญาจะเอาไปใช้อะไรก็คือจิตตรงนี้คือการฝึกฝนอบรมจิตคือการประพฤติธรรมคือการ ปฏิบัติธรรมทาไปเรื่อยสังสมไปเรื่อยเป็นกุศลวิบากส่งเสริมให้เราสุดวกสบายง่ายขึ้นบุญก็เพิ่มขึ้นความสงบก็เพิ่มขึ้นความรอบรู้ตอนนั้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นความหลงงมงายมันก็จะพอทําให้เราตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นสมัย อ, อย่างที่เมื่อเมื่อวันเราพูดเราไปเราเห็นแต่อามิสบูชาเต็มไปหมดนะเราจะเห็น ของขอบของเคี้ยวข้าวน้ำโอชนาอาหารของขอบของเคี้ยวของอยู่ของกินเป็นอามิศอามิศสบูชาเป็นอามิศสบูชาแล้วว่าสิ่งของเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นวัตเป็นวัตถุเป็นก้อ น, เ ป, น, นเป็นแท่งเป็นวัตถุอามิศสบูชาก็ให้ผลแค่อามิสบูชาแต่มัน มันไม่ได้เข้าลึกไปที่หัวใจของเราที่เเรียกว่าปฏิบัติบูชาคะอยากจิตไม่สงบกิเลสมันพาจิต ด, ดีดดิ้นเราก็เอาจิตมาปฏิบัติให้จิตสงบพอจิตสงบกิเลสมันก็ไม่ยินในหัวใจของเรากระือชื่อว่าระ ง, งับกิเลสในหัวใจของเราได้นี mm ่ค hmm. ือตั้งใจปฏิบัติ mm hmm. ดีไม่ดีเราไปเอาอันนั้นไปวางเอานี้ไปวางเราก็นึกเราก็คิดนื mm hmm. ต้องการต้องการผลต้องการลาบต้องการสิ่งตอบแทนนักหน้าข้าวเป็นการบวงสวงเป็นการอ้อนวอนเป็นการบวงสวงเป็นการอ้อนวอนการบวงสวงการอ้อนวอนก็เป็นการตั้งเป้าหมายเป็นการตั้งอดมคติไว้อยู่แต่ยังไม่สําเร็จผลดอกยังไม่สําเร็จผลเรายังจะต้องมีกิริยาประกอบกายกรรมก็ต้องกระทําลงไปไวจีกรรมก็ต้องกระทําลงไป มโนกรรมก็ต้องจะทำลงไปเพียงแต่ไปตั้งความปรารถนาไว้เฉยๆเมื่อเราตั้งเป้าเอาไว้แต่เราไม่ได้เดินไปทําไงเราจะถึงมันถึงไม่ได้การปรารถนาอย่างนั้นปรารถนาอย่างนี้ตั้งเอาไว้ด้วยแล้วเราต้องเดินไปด้วยเราต้องมีทั้งอามิตรบูชาเราต้องมีทั้งปฏิบัติบูชาทุกอย่างบารมีถึงจะ เพิ่มพูนทวีภูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่ใจของเราเสําคัญที่สุดอย่างอื่นเพลาๆหรือไม่ไม่ทําเลยแต่ว่ามาเอาที่ใจของเรามาตัดอเราประกอบสิ่งเหล่านั้นก็คือต้องการความสุขทําสิ่งนั้นขึ้นมามีน้องเมนี่ขึ้นมาได้เต้องการความสุขเหมือนกับจิตของเรามานันดำมืก ดาบดิ่แล้วเราก็วิ่งตามดําบดิ่แล้วก็วิ่งตามดับดิ่งแล้วก็วิ่งตามวิ่งตามเพื่อหาความสุขบางทีความสุขที่ได้มานั้นเป็นความสุขที่จอมปลอมไม่ใช่ความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็หายไปบางทีบางทีก็แทนที่จะได้ความสุขกลับเป็นการได้ความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่แน่นอนแต่พระพุทธเจ้าท่านให้แสวงหาความสุข โดยสงบระงับสิ่งที่พาดีดพาดิ้นไปนั่นกืเหมือนอย่างท่านให้มาลอลพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตมันสงบให้จิตมันอยู่พอจิตอยู่จิตสงบจิตสงบจิตมีความสุขเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตสงบนั้นเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ทำไมจึงว่าเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เพราะมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปดีใจไปเสียใจ มันเป็นความสงบความสุขที่กิเลสมันแทงใจไม่ได้จริงเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่ต้องไม่ต้องอิงอามิตรไม่ต้องอิงสิ่งนู้นไม่ต้องอิงสิ่งนี้ไม่ต้องอิงอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแต่อิงอารมณ์ที่มามัด จ, จิตให้จิตให้จิตอยู่พระพุทธเจ้าท่าพาเราหาความสุขทางรัทเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญที่ความสุขที่ใจของเราเราดูอย่างนี้เราเราเราดูอย่างนี้เราเห็นวิธีปฏิบัติของเรา เป็นการทำให้จิตได้รับความสุขแต่เราก็ไม่ทิ้งอมิสบูชาปฏิบัติบูชาเราก็ทําอมิตรบูชาเราก็ทำํเทำเราก็ไปด้วยกันแต่ถ้าเราแต่อมิตรบูชาอย่างเดียวก็ไปแค่นั้นเองไม่มีปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานี้ทำไปเพื่อลดเพื่อละเพื่อําระเพื่อขัดเกลาเกลียดนหัใจของเราให้เบาให้บางให้หมดไปในที่สุด ก็มีอย่างเดียวทำมากมากทำทั้งวันทำทั้งคืนเท่านั้นเองยืนก็ทำเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเว้นนจะหลับยืนก็ทำเดินก็ทำทำนูน่นทำนี้ทำอะไรก็อยู่กับสิ่งเดียวย้อนมาท ำ, ทำทันทีเสร็จปุ๊กย้อนมาทำทันทีเสร็จปุ๊กย้อนมาท ำ, ทำทันทีลองตั้งลองตั้งความหมั่นความเพียร ความขยันหมั่นเพียรขนาดนี้ลองตั้งลองดูตั้งได้อยู่นะตั้งได้อยู่เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามีเวลาเราเค่อยเราเค่อยไปเราเคอ ไ, ไปเอานะ เ, เออ ในขณะที่เราสรับเราก็ดูว่าอะไรคือตัวสับลองลองสับลองดูเถลองสับลองดูเราจะเราจะเห็นในขณะที่เรามารู้สึกไปที่กายในขณะที่เราไปจาะ อ, อยู่กับเวทนาในขณะที่เราย้อนมาที่จิตเราดูความแตกต่างของมันดูดูเพื่อให้รู้ไป จิตมันกลางๆหรือว่าจิตมันยินดีหรือว่าจิตมันยินร้ายส่วนมาเช่นอย่างเราเรานั่งปวดปวดนั่งกวนะมันจะไม่ยินดีมันจะยินร้ายมันจะไม่พอใจมันจะไม่ชอบใจเดี๋ยวมันก็เลิกเดี๋ยวมันก็สั่งเดี๋ยวมันก็รื้อมันก็รู้เพราะอะไรเพราะมันเอาตัวมันเอาตัวตนไปรองครับว่าเราเจ็บว่าเราปวด นี่คือเราลังเราเผลอเราไม่ทันมันเราไม่ทันมันราขาสติราขาดสติไม่ทันมันไม่ทันตัณหาถ้าตัณหามาลุกล้ำปั๊บเนี่ยมันก็จะพาเรายุดว่าหัวเข่าเราหัวเข่าเราก็คือกายเราว่าหัวเข่าปวดก็ว่าความปวดเป็นเราอีกว่าเราปวดเอาเราก็ไปรองรับ เมื ork, เอ่อเราเอาเราเข <eterm oon, S 1> ้าไปรองรับแล้วมันก็ยิ่งยิ่งเพิ่มภูนทวีคูณขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บความปวดเพราะมันเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พิจารณาไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางกลายเป็นว่ายิ่งยึดยึดยึดยึดยึดยิ่งอุปาทานเราจะได้รู้ว่าอุปาทานเราเหนียวแน่นมั่นคงขนาดไหนเพียงใดนี่อุปาทานเราดูให้เห็นชัดชัดอุปาทาน เราเอาบทอื่นยากเราก็มาจับอยู่ตรงนี้เอาบทอื่นดัดจิตที่มันดื้อด้านยากก็เอาบทนี้มาดัดให้มันเอาเอาเวทนามาดัดเอาเวทนามามัดมันเอาเวทนามามัดมันมันไม่ไปแหละแต่ให้สังเกตให้ดีมันไม่ไปดูดูแล้วก็ โอ้ขำดีเหมือนกันนะดูเราดูเนี่ยดูบางทีมันริบมันดิ้นยามกำหนดจึ่ต่อไม่ปล่อยบางทีเราก็ตั้งเจตนากำหนดไปที่กายดูไปที่กายกายก็เห็นสักจธว่ า, ากายดูให้ทะลุปไปเลย กายนี่เห็นสัพพะกายบางทีก็เวทนาท่านจิ้มเข้าไปอยู่ในเวทนานั่นเลยบางทีก็ย้อนมาที่ผู้รู้ผู้รู้รู้อยู่กับผู้รู้ลองย้อนมาดูแล้วก็ดูความแตกต่างระหว่างที่มันย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปอ่าสลักําหนดดูความ ยินดีของมันกําหนดดูความยินร้ายของจิต ด, ดูไปที่จิตกําหนดได้สองอย่างหนึ่งกำหนดความยินดีของจิตสองกำหนดความยินร้ายของจิตถ้าเราไม่กําหนดเราไม่ทันมันนะมันจะเพลินไปยินดีเย็นดีซื้อไปพอเราไม่ทันปั๊บเนี่ยตัณหามาสวมรอยพึ่ดไปแล้วนะมันมันละเอียดดูถ้าเราดูมันจะดู ด, ดูมันจะทัน เราดูดูไปดูมาดูป่าดูดูไปดูมา ด, ด, ด, ดูม า, ด, มาดูไปมันจะขาดเข้มามันนะมันจะขาดเป็นขาไข่ขามันไปนเลยที่ลุงตาเร้ยว่าต่างอันต่างจรินก็คือมันกลัดมันขาดอย่างนี้แหละแต่ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างทีบยิบแม้มันมาสวมรอยได้ลองนั่งกําหนด น, นั่งทําดู การเดินมหาสติไม่ไม่เคยมีใครสอนเหมือนหลวงตาเสร็จแล้วเรามาพิจารณาแล้วเราทําตามมันไม่มีข้อขัดแย้งไม่มีข้อขัดแย้งไม่ใช่ว่าให้ดูกายก็ดูกายไปก่อนอ้าวดูกายเสร็จแล้วอ้าวดูเวทนาอ้าดูเวทนา เ, า เ, เ, เนาสร็จแล้วอ้าวดูจิตแต่หลวงตาท่านให้ทํางานสับขากันเพือใช้สติทียึบลงไป ไม่มันขาดช่วงเพราะถ้ามันขาดช่วงแล้วตันหามันจะแทกขาดช่วงแล้วก็แทรกเราดูเข้ามาได้เลยที่ใจของเราเนี่ยถ้าเรามันอ่อนมันขาดช่วงทีไรเมื่อไร่มันจะแทรกเข้ามาทันทีอ่อนที่ไรเมื่อไรแทรกเข้ามาทันทีบางทีก็มันก็เราปิดกึ๊กปิดช่องมาเลยที่ต้อเรียกว่าเอาชานปิดมันเนี่ยกึกเข้ามาเลยเนี่ย ฝึกให้ชำนาญแล้วฝึกให้ชำนาญแล้วเป็นอย่างั้นที่ท่าเรียกว่ากําหนดข้าวชานคืก อ, อันนี้ก็เพียงเป็นแต่เพียงไม่ให้มันทํางานเท่านั้นเองแต่ว่ารกรากของมันยังโยงใหญ่เหโยงอย่างเต็มไปหมดยังไม่ทราบข้อเท็จจริงของมันขอสําคัญเราพิจารณาเราพิจารณาข้อเท็จจริงพอเราทราบข้อเท็จจริงแล้วก็เราเข้าใจที่ไปเข้าใจที่มาเข้าใจที่เกิดเข้าใจที่ดดา ผู้ผู้รู้ผู้เข้าใจคือปัญญาปัญญาจิตปัญญาเกิดจากจิตปัญญาเกิดจากผู้รู้ปัญญาเพราะใช้ผู้รู้ ม, มันเกิดขึ้นไม่จําเป็นจะต้องไปละไม่จาเป็นจะต้องไปวางไม่จาเป็นจะต้องไปฆ่าไปแกงไปอะไรต่ลอน เปี่ยนแเข้าไปรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ที่ไปรู้ที่มาของมันเปี่ยแต่ ส, ต, ญญสติปัญญาโร่มามันก็ดับสติปัญญาโร่มามันก็ดับแล้วก็ตามต้นไปดูทำไมมันถึงขยับมาเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นสักทีตามต้นเข้าไปเข้าไปจนถึงนั่นหละอนุสัยความเพลี่เนี่ดูความอยากในหัวใจของเราความอยาก ปัญหาแสดงความอยากมาที่ใจของเราเราดูไม่เห็นดูไม่ออกดูไม่ออกก็คือดูตัญหาดูความอยากในใจของเราตัวนี้เป็นเจ้าเป็นจอมเป็นจอมของวัดตจักรหลวงตาธรรมานเจ้าแห่งวัดตจักรเจ้านี่แหละเจ้าตัวนี้เจ้าความอยากเจ้าความดิ่นรนแต่บรรดาณทิทั้งหลายทั้งปวงเขาไม่ได้ให้ทําให้ดูให้ย้อนให้มาอย่างนี้ เรไปสมมุติฐานอันนั้นขึ้นมาไปสมมุติฐานอันนี้ขึ้นมาไปสมมติฐานอันนี้ขึ้นมามันก็เลยพันกันไปพันกันมาก็เลยยิ่งหลงจนไม่เห็นร่องเห็นรอยอะไรหลงอยู่อย่างนั้นหลงอยู่อย่างนั้นยินดีพอใจพร้อมกับความหลงยินดีพอยใจยึดเอาพร้อมกับความรุ่มหลงไม่ได้ไปรื้อไป ไปขุดไปคุยไปค้นให้เห็นเหตุปัจจัยต้นตอที่แท้จริงของมันคืออะไรเกิดขึ้นจากอะไรตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงทําไมจึงเกิดขึ้นเรามาจี้กันตรงนี้มาไล่ต้อนกันตรงนี้จะทําให้เรามีปัญญาแ ต, แ, ตแต่แต่ไม่ใช่ฟังเฉยๆต้องไปทํา ต้องทำแต่มันก็พูดตลอดเวลาเออต้องทำไม่ใช่ฟังยิ้เฉยต้องทำวันนั้นพูดที่วัดอาจารย์เข่งพอดีพอดีไอ้ทักถามมายังไงคุณ อ, อาจารย์จำรัดท่านพูดท่านพูดดังปไปหน่อยเหมือนกับไห้ไปทา อแท้ที่จริงมันฟังยังไม่เข้าใจคนฟังมันยังไม่เข้าใจแต่คนไปขึ้นแรงสักคน <c oughs> คือของเรล่านี้มันของต้องทำไม่ใช่ฟังเฉยฟังแล้วก็ไปทำไม่ได้ยินลุงเขาเล่าลุงปู่เสาแล้วลุงู่เสา ไปเรียนกรรมฐานลูกกุศลลูก า, าุาลไปภาวนาพุทโธพุทโธภาวนาแล้วได้อะไรเห็นอะไรไม่ต้องถามไปทำภาคภาคปฏิบัติเราเอาภาคปฏิบัติไปจับในกาลามาสูตรแท้จริงกาลามาสูตรเป็นเป็นสูตร ที่พระพุทธเจ้าท่านให้เอาภาคปฏิบัติไปจับไม่ให้เชื่อตามได้ยินตามได้ฟังตามครูตามอาจารย์ตามตำดับตำราตามที่เคยเห็นทำมาตามที่เห็นคิดว่าเข้ากับตัวเองกับอะไรต่ออะไรไม่ให้เชื่อตามนั้นให้เอาไปทําดูก่อนให้ไปคข้ครวนดูก่อนเราจะรู้ว่าเห็นเหตุผลชาตเยนเป็นอะไรยังไง ว่าที่จะยึดถือเป็นยังไงไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เชื่อโดยที่ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลหาอะไรไปพิจารณาเห็นเหตุเห็ น, ห น, หนปัจจัยเห็นอัดเห็นธรรมด้วยตัวของตัวเราเองนั่นคือผลปรากฏแท้มันเป็นถ้าจะว่าแต่แ้วมันเป็นบทท้าทายให้เราปฏิบัติกล้ามาสูตรไปดูวถอะทำไมครูก็ไม่ให้เชื่ออาจารย์ก็ไม่เชื่อตําราก็ไม่เชื่อทําไมท่านจึงว่าอย่างนั้น ไปดูดิเออถือปฏิบัติตามๆกันมาก็ไมให้เชื่อทำไมท่านจึงไม่ให้เชื่อท่านให้ทําทําให้เห็นเหตุเห็นผลหเห็นเหตุเห็นปัจจัยมันเป็นบทท้าทายให้ทําเป็นบทท้าทายให้ปฏิบัติกาละมาสูตรทุกข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยให้อ่านดูมันละเอียดนะ ไปพิจารณาดูเถอะธรรมะของพระเจ้าทุกบททุกบาทมาจบลงที่เราตามไปพิจารณารู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยแจ่มแจ้งด้วยเหตุด้วยผลแจ่มแจ้งด้วยเหตุด้วยผลเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูอะไรมากเราเอาแค่พุทโธเนี่ยไปพิสูจน์ไปทดสอบแค่คำว่าพุทโธ ท, ทาไมถึงสงบทำไมถึงไม่สงบ ทำไมจึงอยู่ทำไมมันจึงไม่อยู่ทาไมกิเลสมันจึงแทรกมาทำไมมันจึงชะลออยู่ทำไมมันจึงไม่โปรขึ้นแค่นี้เราก็สามารถย้อนดูเหตุดูปัจจัยของมันได้อันนี้เราพูดด้วยเหตุด้วยปัจจัยไม่ให้ไม่ให้เกิดความรุ่มหลงภาพภาพปฏิบัติอ่า ก็ด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยเหตุด้วยผลก็คือด้วยเหตุด้วยปัจจัยเช่นอย่างรู้ที่เกิดของรู้เหตุปัจจัยของกายรู้ที่เกิดของกายรู้ที่ดับของกายรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายเอาแค่ว่าเรารู้ที่ไปที่มาของกายกขแล้วกันแ่ะ ถ้าเราไม่รู้จักที่ไปที่มาเขามาในเราก็หลงมันนะ่ะกายเนี่ยเรหลงมันนะท่านจึงให้ย้อนย้อนย้อนไปถึงในท้องแม่นั่นอะไรเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากตันหาไหมเกิดขึ้นจากความอยากไหมธาตุพ่อกับธาตุแม่ไปประกอบกันเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรดูไปตรงนั้นนะ่ะ พอเกิดขึ้นมาแล้วนั่นคือกล่องสังขารเกิดสังขารไม่คงที่สังขารขยับไปเรื่อยขยับตัวไปเรื่อยขยับตัวไปเรื่อยขยับตัวไปเรื่อยเขาไม่เคยหยุดอยู่กับที่นั่นที่เกิดของมันนั่นคือรูปธรรมดูไปดูย้อนไปดูย้อนมาดูย้อนมาดูย้อนไปเพื่อให้มันหลงตัวเองให้รู้ที่ไปที่มาที่เกิดที่ตาย รู้ว่าอะไรเป็นตนอะไรเป็นของของตนอะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพุทธเจ้าท่านบอกว่าสังขารสังขารคือสิ่งประกอบสิ่งสองสิ่งประกอบธาตุพ่อกับธาตุแม่ประกอบกันเห็นไหมพอประกอบขึ้นมาแล้วไม่คงที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงในโลกไม่คงที่เพราะสิ่งสองสิ่งประกอบกันแล้วไม่เคยคงที่มันจะขยับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อย วัตถุรอบข้างตัวเราใช่ทั้งหมดทั้งการร่างกายของเราใช่ทั้งหมดไม่เคยมีอะไรคงที่อยู่กับที่เห็น<ม>ไหมโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยเป็นน้ําเป็นน้ําใสๆเป็น น, น้ำข้นๆเป็นน้ําเลือดเป็นน้ําเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขามีกระดูกมีเส้นมีเต็นมีอะไรครบอาการสามสิบสองแปดเดือนเก้าเดือนมันไม่เคยหยุดหยุดอยู่กับที่ใครไปให้มันหยุดมันก็หยุดไม่ได้นะ อันนั้นแหละลึกลือลักษณะของอันนี้จังในตัวทุกขังในตัวกระแสของอันนี้กระแสเป็นกระแสที่ใครไปห้ามไม่ได้ไปหักห้ามไม่ได้ไปเบียงเบนให้เป็นอื่นก็เบีเ่ยงเบนไม่ได้สังขารมันจะทํางานตามอัตโนมัติของมันเราเทียบเหมือนกับอาหารที่เราใส่เข้าไปในปากเคี้ยวบดกลืนเข้าไปในท้องมันจะไม่มีการหยุดคงที่ มันจะขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยไปนู้นไปนู้นมันดูดมันกินมันซับมันซึมมันออกมันขับมันถ่ายอย่างร่างกายของเราเราไม่ใส่อาหาร้มันสองวันสามวันสี่วันจากมันเคยมีเนื้อมีหนังมีเต็มมีตึงมันก็ใจใจลงพร้อมลงพร้อมลงหนังพวกเลือดพวกอะไรมันก็ค่อยหมดไปค่อยเสื่อมไปค่อยสิ้นไปสิ้นไปมันบทขยี้ตัวมันเองสังขารมันบทขยี้ตัวมันเองไม่เคยมีอะไรผุงที่ เราดูเราดูอย่างนี้เราจะเห็นชัดเจนขึ้นดูเพื่อเกิดความไม่ตายใจความไม่แน่ใจด้วยภาวะอันนี้แหละนี่แหละภาวะที่พระพุทธเจ้าทว่าไม่ใช่เราบอกให้มันอยู่ไหมบอกให้มันคองทนได้ไหมบอกไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันแก่ให้มันอยู่กับที่บอกให้อยู่อยู่ไหมบอกไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราจึงว่านีนไา่ไม่ใช่เราพระเจ้าของของเร า, เรา มันเป็นปรัชญาลึกซึ้งนะแต่ต้องปฏิบัติมีรูปธรรมเสร็แล้วพอออกจากท้องแม่มาเสร็จแล้วาตัวตนเราจึดเหลือเกินถือเหลือเกินเอ๊ะเราเอาอะไรสักหยดไปเกิดในท้องแม่มีไหมมีอะไรสักหยดไหมมีมีมีแต่ธาตุพ่อกละธาตุแม่เป็นโครงสร้างมาให้เรานะ ถ้าจะว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราตอนออกจากท้องแม่มาแล้วเอาใส่เองไม่ได้พ่อแม่ยังป้อนพอใส่เข้าไปเองได้แล้วก็ใส่และอะไรเป็นเราข้าวเลยปลาเลย อ, อาหารเลยกับแกงเละผักผลไม้เลยนี่เหลือคือเราเราดูไปให้ละเอียดดูไปให้ละเอียดสิ่งที่ว่าเรามันไม่ใช่อยู่ที่กาย มันอยู่ที่จิตจิตมันหลงกายพอมันมาจับจองกายแล้วมันก็มาหลงกายยึดมัน่นถือมัน่นแล้วเกินกายเรากายของเราพลอยทุกไปกับกายท่านที่ให้พิจารณากายเพื่อทำลายความยึดจิตในกายไม่ให้สําคัญมันหมายว่าเป็นกายเราเป็นกายของของเรายิ่งเรายึดทลายก็ทุกข์เท่านั้นดูไม่ให้มันเป็นเรา ต้องดองย้อนดูถึงเหตุถึงปัจจัยข้างนพิจารณากายพิจารณาไปสิ้ใจใจก็คือธาตุรู้คือผูอ้รู้ไล่ต้อนไปไล่ต้อนมาเราก็จะเห็นกระแสะการเกิดของตัณหาล่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกาย่าอ่าอ่าอ่าอ่า อายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมีเป็นรูปธรรมกับเป็นนามธรรมแส้งมันก็สัมผัสสัมพันธ์มีรูปธรรมแล้วเขามีตาออกไปเห็นรูปมีหูออกไปได้ยินเสียงมีจมูกไปกินรสทําให้เกิดความยินดีทําให้เกิดความยินร้ายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเป็นเหตุเป็นกระแสทําให้ตัณหาใหม่เกิดขึ้นอีกตัณหาเก่ามันสงมาแล้ว มันเกิดขึ้นใหม่อีกเพิ่มทวีคูณเข้าไปอีกเกิดขึ้นมาอีกเพิ่มทวีคูณเข้าไปอีกเพราะฉะวิธีปฏิบัติของเราท่านจึงให้ระงับตัณหาใหม่ไม่ให้มันเกิดตัณหาเก่าท่านพยายามให้ขุดให้คุยให้ย้อนกลับไปย้อนกลับมาเหมือนอย่างที่เราพิจารณาเนี่ยเพื่อทำลายความหลงตัวเองความหลงนี่มันแน่นหนาะเหนียวแน่นอยู่ในหัวใจของเราเราดูเราพิจารณาเราจะเห็น ท่านบอกท่านว่อย่างนี้แล้วก็ดู้อดกลับไปกลับมาก็าที่มันเกิดกอันนี้อันนี้ อ, นนอันนี้คือการพิจารณานะพอเราพิจารณารู้เลยมันเรือนมันเรือ น, ม, น, อนมันลางมันจางทั้นให้สงบเพื่อเอากําลังกําลังสงบมากเท่าไหร่มันเห ม, มือนกามีที่มันคมถ้าว่าเห ม, มือนกามีที่มันข่มพอเราไปเราไ ป, เราไปรือ้อเราไปขุดเราไปคุยสิ่งเหล่านั้นก็ชัด มาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาดวงตาท่านจึงมาให้ทิ้งเวลาพิจารณาไปพิจารณาไปเมื่อกมีดฟั น, ฟ, น, ฟ, นฟันไปแล้วมันหมดคมฟันดาไปหมดเลยขาดไม่ขาดไม่รู้เลยฟันดาไปหมดท่านให้มันฝนมานฝนมาก่อนมันรับให้มันคมซะก่อนรับมาคมึค้นมาเพิ่มกำลังให้กับจิตสงบท่านจึงให้ให้สมสถะแล้ววิปัสสนา แล้วก็สมถะแล้วก็มีปรสนาร์มีปรสนาร์คือพิจารณาคลี่คลายดูหลายๆอย่างลหลายๆกิริยาอาการของอารมณ์ให้มันเกิดการสัมพันธ์แต่ถาเป็นเรื่องของสมถะ oh. ก็ให้มีอยู่กับอารมณ์เดียว oh. เพื่อเอาจิตมาเพิ่มพลังให้กับตัวเองถ้าจะว่าเราทํางานคือเรามาถูมีดมันคมความสงบของจิตมันเหมือนกับมีดที่คม พอเวลาไปดูแปอะไรแล้วมันเห็นมันชัดจริงตั้งสมมุติฐานอะไรขึ้นมามันก็มันก็เป็นจริงเป็นจังเป็นตัวเป็นตะขึ้นมาเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายมันก็พร้อมที่จะเบื่อหน่ายทันทีเป็นเหตุให้คลี่ให้คลายให้จางมันมันก็เห็นมันก็เห็นง่ายๆแต่มันก็ว่ามันมันคมปัญญามันคมเหมือนเนมีดมันคม มันมันเห็นง่ายมันเห็นชัดเจนง่ายท่านจึงท่านจึงไม่ทิ้งพิจารณาเหนื่อยท่าให้สงบพอสงบมีกาลังท่าน้พิจารณามันเป็นการถนอมกำลังเราไปในตัวด้วยแล้วมันเป็นการทํางานไปแบบแบบแบบแบบสบายๆด้ว ย, วยแต่ถ้าเราทำเจริญสติอย่างเดียวต่อเนื่องไม่ให้มันขาดช่วง อันนี้ก็เป็นทางตรง<ม>เพราะมันก็สมถะก็อยู่ในนั้นวิปัสนาคืออยู่ในนั้นในการเจริญสติ<ม>ท่านจึงว่านิสงศเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดป<ม>ีจะเราถ้าเราทำได้ตามที่ท่านว่าไหมะทำได้ต่อเนื่องพึ่งไม่มีช่องว่างเพื่อไม่ให้เมื่อกี้เลยมั น, มนแทรเนี่ย แต่ถ้าเราทำได้พระพุทธเจ้าท่านท่านรับประกันเลยเจ็ดปันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเธอยะต้องได้ไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องเป็นพระนาคามีไม่เป็นพระนาคามีก็ต้องเป็นพระสกิทาคาเป็นพระโสดาเป็นอย่างน้อยเนื่องจากว่าไม่ให้กิเลสมันเอาจิตไปใช้งานเอาจิตมาใช้กับธรรมะอย่างเดียวเป็นการเพิ่มพูนระยะเวลา ยาวไม่มีจุดจบไม่ให้กิเลสมันเอาไปใช้งานของมันในเมื่อมันไม่เอาไปใช้งานวิบาสของอักข u ศลใหม่ที่จะเพิ่มที่จะเพิ่มขึ้นมันก็มันก็ตัดถูกตัดอันเก่าก็ถูกขุดถูกคุยขึ้นมาในเมอันใหม่ไม่อันใหม่มันเกิดขึ้นยากอันเก่าเราพยายามขุดคุยออกมันก็จะเริ่มหมดมันก็จะเริ่มหมด เพราะว่าเราไปปิดไปคั้นเมื่อก็เมื่อก็เราอุดรูช่องรูรั่วของเรือเม่ให้น้ำใหม่มันเข้าไปอุดปับ๊บน้ำเก่าที่มีเราพกพิดออกเป็นอุดประมาณเมื่ออันอันใหม่ไม่เข้าอันเก่าเราพิดออกพิษไปสลําก็หมดพิษไปสลํมก็หม ด, ด, มหมดแต่มันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่เราวิดน้ำอันนี้มันเป็นอุดประมาณ มันเป็นอุ ป, ปมาทั้งขบต้องเขีย้ยวอยางเต็มที่กวจะมีผลปรากฏขึ้นมากุบาอาจารย์ทุกองทั้งเดินตายเดินตายเลือยตายเลื้อยตายตอนไหนเลือยตายตอนขยับตกขยับตกขยับตกขยับตกเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้ ไ, ด ไ, ดไม่ได้ให้ตายไม่ตา ย, ตายให้ได้ ท่านยิงเที่ยวกับมือก็สีไฟก็อยจกติดแล้วลองไปหยุดดูสิหยุดไฟจะเกิดไหมมันก็เย็นแล้วพุกไอ้กิกริยาที่เราสีให้เกิดไฟไอ้กิริยาที่เราสีอย่างหนึ่งไฟที่เกิดขึ้นมามันเป็นผลอีกอันหนึ่งต่างหากมันเป็นผลพิเศษที่เกิดขึ้นมาอีกต่างหาก ปัญญาที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันแต่ผู้รู้เป็นเองเข้าใจเองผู้เป็นรู้เองถ้าอยากลองดูก็ไปนั่งนานๆไปนั่งนานๆไปนั่งพยจางา มหาสติปฐานที่ว่าพิจารณาสามอย่างสี่อย่างไปในขนาดเดียวกันเนี่ยไปนั่งนานๆ น, นั่งสักครึ่งคืนลองดูเราจะได้ทำงานสนุกแน่ๆเลยแหละเอาคืนนี้ก็ได้เลยแหละเนี่ยวิชาวิชานั่งนั่งนั่ง ตลอดรุ่งวิชานี้ยเ <c> ร <oughs> ียนวิชานั่งตลอดรุ่ง <c oughs> เข้าใจวิชาเนี่ยวิชานั่งได้ตลอดรุ่มมรรอ ง, อ, ง, อ, ง, อ, งอ๋อถ้าสติไม่แน่นหนา ม, มั่นคงแป๊บเดียวแป๊แบเดียวมันสรรระพังงกแล้วแป๊บเดียวมันสรรระพังงกแล้วแต่ว่าร่างกายจะต้องประกอบกันที่พอดีพอเหมาะ ดวกสบายมันเลี die, ้ยงตัวเขาได้ดีไปได้เรื่อยเรื่ยเรืยืยืยยืยตตาอึดอัดเอยหิวเอวยอนเพลียเออยอะไรเอวยเงง่วนอนง่วงนอนเออยอะไรเอยมันไม่ประกอบกันมันก็เป็นพยาธิมันจะต้องประกอบกันหมด บางคนก็มีผลแปลกแปลดให้เห็นได้ง่ายบางคนก็เป็นเป็ น, ปนยากแต่ไอ้แกยากจะง่ายน่ะนะครูบาอาจา ร, รย์ท่านไมให้ไม่ถือท่านถือว่าท่านถือว่าวิบากกรรมของไขของเราเรื่องง่ายก็คือเรื่องของท่านเรื่องยากก็คือเรื่องของท่านเรื่องง่ายคือเรื่องของเราเรื่องยากก็คือเรื่องของเราเออนาท่านนาดีทาได้ง่ายข้าวงามแต่รานาเราม น, นาโคก หินแหย่หนกระต่ยปัดก็ยากดำก็ยากข้าวก็ไม่ค่อยงามงามก็ยากอ้าวก็อันนกานาของท่านแต่อันนี้กานาของเราจําเป็นเราจะต้องทําจุดนี้ใส่ของใครของเราเมื่อเราสรุปไปแล้วเราสะสมไม่เท่าเขาเราอาจจะเพิ่งเริ่มสะสมเขา อาจจะเริ่มสะสมมานานแล้วเห็นเห็นโทษเห็นภัยมานานแล้วเราเพิ่งเริ่มสะสมเราก็ค่อยๆตามไปตามจิตนิสัยของเราแต่เรื่องความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรไม่ถอยอันนี้เป็นเกณฑ์เป็นประมาณเอาตัวเนี้ยตัวนี้เป็นเกณฑ์เป็นประมาณความอุตสาห์พยายามความเพียหมั่นเพียรไม่ถอยเอานิสัยเบาบาง ทำได้ง่ายมีได้ง่ายแต่ไม่ได้เอาอะไรเป็นเกณฑ์เอาความหมดจดโดยชิ้นเชิงเป็นเกณฑ์ได้ง่ายได้สะดวกได้สบายเป็นคนมีบุญเป็นคนเบาบางเอาอะไรเป็นเกณฑ์เอาความหลุดพ้นเป็นเกณฑ์เฮ้ยเราทำง่ายเราทำสะดวกเราทำสบายเรา่อยทำเมื่อไหร่ก็ได้แหมมันจะไปอย่างงั้นนะ สิ่งเหลานรายิ่งศึกษาไปให้มากเท่าไหร่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องไปเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําให้มากอทําให้มากจริงๆทำให้มา ก, มากโอ้ทําไมยุ่งแล้วเกลือนอไายจะต้องจำนุ่นไหนจะต้องจํา น, นี่จำนี้คึกขมาที่บุทโธพุทรโถบุตโถอยู่นี่เลยคึกนี่เลยอยู่กับสิ่งเดียวเนี่ยไม่ต้องไปสง วุ่นวาอะไรกับอย่างอื่นให้เป็นเหตุสงสัยมันต้อจะจับอะไรอู้วุ่นไปหมดไม่จะจับอะไรจับผู้รู้นี่จับมันเลยจับอยู่นี่แหละเราจะไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องไปสนใจสมถาวิปัสนาไม่ต้องไปสนใจอะไรยังไม่ต้องจับอยู่นี่แหละจับไม่ยอมปล่อยลองดู เราคิดอย่างอื่นคิดเรื่องอื่นมันมากมันสับสนเอาอย่างเดียวเนี่ยเหมือนกันเอ๊ะจะต้องไปศึกษานั้นก่อนจะต้องไปศึกษานี้ก่อนก็จะต้องไปศึกษานั้นก่อก น, น, ตอ น, น, นแต่อันนั้นก็เป็นความรู้แบบทะเลที่เราสอบเสวหาก็ไม่ปฏิเสธในขณะที่เราสอบเสวหาเราก็ไม่เสียประโยชน์ไม่เสียอะไรมันก็เป็นการเพิ่ม ความฉลาดความหลักแหลมความแถวพลาวอะไรต้องจิตเหมือนอย่างที่ท่านว่าบางคนไม่ใช่แค่อยากมบรรลุเฉยๆอยากให้มีมีอภินญาอยากให้มีอภินญาอยากเหาะได้อยากอะไรได้อยากแสดงฤทธิ์ได้อยากอะไรได้เป็นอย่างนั้นความต้องการในใจทุงคนไม่เท่ากันบางคนแค่ต้องการแค่พ้นพ้นพ้นไป บางคนแค่ต้องการพ้นมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาเอาความพ้นไปเป็นเกณฑ์เป็นประมาณพ้นไปแล้วก็เออสิ่งนั้นก็ถือว่าเออหมดแล้วหมดความจาเป็นแล้วอะหมดความจําเป็นถือว่าพ้นแล้วครับหมดความจําเป็นแท้ <c oughs> ที่จริงที่สุดก็คือผลพอพ้นแล้วก็หมดความจําเป็นแต่บางคนด้วยความตั้งใจความ ตั้งความปรารถนาขอให้เราพ้นด้วยขอให้เรามีอภิญญายมีมีเดชด้วยมีความต้องการมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนัะ้นเพราะฉะนั้นจริงมีนิสัย <c oughs> มันจริงมีนิสัยไม่เหมือนกันเหมือนอย่างพระอนุรุธทธะนั่นแหละท่านปรารถนาทีิพยจักษุ <c oughs> ท่านทําอะไรท่านตั้งความปรารถนาท่านทําอะไรท่าน ต, ตั้งความปรารถนา <c oughs> ถ้าอั ญ, ญากรวนธัญญาทำอะไรท่านมักจะทำก่อนมูทำอะไรท่านมักจะทำก่อนมูพอเวลาท่านได้บรรลุธรรมในศาสนาพระโคดมได้ก่อนมูเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> นี่สายไ ม, ไม่เหมือนกันสายต่างกัน <c oughs> แต่ว่าความเสมอภาคก็คือหมดจดโดยชิ้นเชิงเท่ากันก็ถือว่าหมด อย่างอืง่นก็เป็นเป็นความรู้พิเศษจะไปบอกจะไปสอนจะไปอะไรมันก็เป็นความรู้พิเศษเหมืนอนย่างภาษาที่บุดรมะมโมคลานะอย่างเงี้ยภาษาที่บุดเหมือนมันดาบังเกิด ให้พระมคขลานะเหมือนมัมารดาผู้บังเกิดบุตรเพราะพระมกขลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มีดดเดชทำให้คนทั้งหลายเลื่อมใสศรัทธาอยากมาบวชเหมือนกับพ่อแม่สร้างลูกให้เกิดพระสารีบุตรเหมือนเป็นผู้บอกพร่ำสอนฝึกปรือให้ฉลาด พอให้ความฉลาดไปพอให้ความฉลาดไปก็คือให้ความฉลาดกับคนพระสาวิษณ์พระมกลานะทำให้เกิดทําให้เกิดบุตรพระสาริบุตรไปฝึกไปสอนให้คนนั้นฉลาดเป็นสาวกขึ้นมาเป็นเหมือนนางนมเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นเหมือนนางนมเป็นเหมือนมารดาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนางนมพระสาริบุตร หรอยังให้เจริญเติบโตเราบอกคนเรเหมือนทําบุได้เกิดเพราะอะไรเพราะอาศัยความเลื่อมใสศรัทธาเอ้ยอยากมีฤทธิ์อยากมีเดชอยากอะไรเหมือนท่านเพราะคนเรามันหลงมันหลงฤทธิ์หล ง, ลงเดชก็เหมือนอย่างพระวังคีสานะแหละพระวังคีส่ที่ไปได้วิชาเคาะกระโหลกนี่กระโหลกคนตายเนี่ยเคาะเะมันมีมล อ, อย่างหนึ่ง ทำให้รู้ว่าวิญญาณของเจ้าของกะโหลกไปเกิดเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วก็มีวันหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้น่แหละอยากอยเอาวิชานี้ไปลองอพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็เลยให้หากะลามให้หากะโหลกมาเคาะเคาะกะโหลกที่ไม่ใช่พระอรหันต์เคาะเอือนี่ไปเกิดที่นู่นอันนี้ไปเกิดที่นู่นก็เลยเอากะโหลกพระอรหันต์ให้เคาะเคาะแล้วก็สุมตาทะพูดหรืขอขดีเคาะแล้วก็ฟังเคาะแล้วก็ฟัง ไม่รู้ไเปเกิดที่ไหนไม่รู้เอ๊ะอับจนจนปัญญาละแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรารู้เราเรารู้เรารู้เลยยอมเรียนมนุนี้ขอเรียนมนุ์พระพุทธเจ้าก็ให้สอนในเทศาลโลกมานะคะต่างๆตัวนี้จางทุกคนงนั้นนะจ๊ตามหลักที่ท่านสอนท่านสอนไม่นานสอนไม่นานครับบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มันก็ไม่สนจะไปเคาะตลกอีกแล้ว <c oughs> อืนี่คือคนที่ชอบวิชชอบเดช ก, ก็เหมือนเหมือนอย่างพระวังคีสันแหละเตียบที่รักเกียบเทียมพญานาภา ษ, า ษ, าษาิบุตรเป็นผู้มีที่มีเดดจึงมีเอาคนไปบวชได้มากเริบุตรนะใ้พระมรรณะ